ف ت ص م ح الأرض مخضرة. إن الله لطيف خبير. إن الله لطيف خبير. لهما في السماوات وما في الأرض. لهما في السماوات وما في الأرض. الله لوالغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ا في الأرض ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض الفلك تجرف البحر بأمره ويمسك السماة أن تقع على الأرض إلا بإذن ويمسك ا ل س م ا أن تقع على الأرض إلا بإذن Allah bin Nasil r ُ u f วัวหี อินนัลอินชาอ ا นนัลกับุลอัลลอฮิร์ร يم อินนัลฮ ل มด نحمد وناستعئن و ن س ت غ ف ر و ن ع و ذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما ي ه د ه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له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 ا, أ ل l a م u m m a inni a'udhu bika min a l k a s l ر ับ أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم ع ا ف a a في بدني وعافيني في سمي و ع ا ف ن ي في بصري سبحان الله عدد خلقه ورضى نفسه وزين ت ع ا ش ه ونداة كلمات S a ah uh. first, in, Allah, s s อ l a m พี ki, Allah, ่น้องที่ร่วมนมาสุบัตที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ุบฮานฮูะตาลาต้องขอบคุณอัลลอฮ์ทุกโอกาสแล้วก็ทุกเวลานะครับตอนนอนก็คิดถึงอัลลอฮ์พอตื่นนอนก็คิดถึงอัลลอฮ์ นบีสอนให้หมดเพราะบางคนคิดไม่เป็นคิดถึงอัลลอฮ์ตอนจะนอนว่ายังไงก็ต้องเรียนท่า น, นมุสลิมต้องเรียนหนังสือทุกคนไม่เรียนไม่ได้ตอนจะนอนก็บิสม ah ิลลาฮิบิสมิคุลลอฮุมะอะมุตุหัอะ์ยนะครับนี่เป็นตัวอาสันผงจริงตัวอาตอนจะนอนเนี่ยมันมีอีกสองสามตัวอานะ พอตื่นนอนก็ขอบคุณ l l a h a m d u l i l l a h ทีอยนาบดมาอมาตนา้ลาินนชุดต้องขอบคุณ a l ออกจากบ้านก็ต้องมอบหมายตนต่อ a l l b l l a i t u l l l a i l l a Hawla l a t i l l ขึ้นรถก็ต้องมอบชีวิตไว้กับเพราะว่าเราถือบางเขียนเนี่ย หือพวงพวงมาลัยนี่มาใช้เรานะเราเป็นตัวประกอบคนนั้นเองบางทีขับรถก็ยังมีการชนกันก็มีอุบัติเหตุก็มีไม่เขาถูกเราก็รักถูกเขาต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ทั้งหมดพอมาถึงมัสยิดก็นึกถึงอัลลอฮ์อีกถอดรองเท้าเอาเอาเอ า, เอาเท้าไหนออกก่อนมีคำสั่งจากอัลลอฮ์ทั้งหมดพอจะเข้ามัสยิดก็เท้าด้วยเท้าขวาแล้วก็อ่านดุอานึกถึงอัลลอฮ์อีก อัลลอฮุมะฟตัฮลีอบวาบาระห์มัติกะนี่เป็นชีวิตประจำวันของพี่น้องมุสลิมทุกคนในโลกฉะนั้นมุสลิมนี่ต้องนึกถึงอัลลอ์ตลอดเวลานะครับเพราะการรำลึกถึงอัลลอ์นั้นทำให้หัวใจสงบขอบคุณอัลลอ์สุบฮานาหูบตาราที่เราไม่ลืมที่จะทบทวนอัลกุรอานเพราะชีวิตของมนุษย์นั้น ถ้าอ่านคุรอ่านแล้วรู้ความหมายของอัลกุรอานนะครับสักหกสิบเอร์ซนเจ็ดสิบเอร์ซเนี่ยรู้ปากอ่านคุรานเนี่ยทำให้เรารู้จักอัลลอ์เพิ่มขึ้นสิฟอัลลอฮ์เนี่ยเดี๋ยวจะเจอละ ว, วักตอนสุดท้ายของอายะนะเช่นอันนัลลอฮวาลลอุลกบีที่เป็นสิฟธตอัลลอ์อาลียุกบีรุนสิอัลล AH, ์ การอ่านคัมภีรจะเจอสิทธิอัลลอฮ์อยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเตือนเราให้นึงถึงอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาอัลดาคนที่อ่านคัมภารรู้ความหมายของอัลกุรอานเนี่ยพอรู้จักอัลลอฮ์แล้วเนี่ยมันไปไล่ไล่ชิริกมันไปทําลายชิริกมันไปปราบชิริกมันไปทําลายชิริกชิริกหมายถึงการตั้งภายคีกับอัลลอฮ์เรียนสุนนะนบีนี่ยได้อะไรรู้ไหม ทำให้เราปราบบิดาทำลายบิดาได้เพราะฉะนั้นเรียนคุรานเรียนสุนนะนบีทาให้ชีวิตของเรานี่สะอาดขึ้นเรียนคุรานเนี่ยไล่อะไรไล่ชีริเรียนสุนนะนบีการปฏิบัติของท่านนาบีคาสอนของท่านนาบีเรื่องราวของซอบา้นานนบีปราบบิดาไล่บิดาออกจากตัวของเราขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตละัลลาที่เราได้มีโอกาสได้มา อ่านอัลกุรอานแล้วก็มาทบทวนอัลกุรอานวันนี้มาถึงสุรที่ยี่22นะครับอายาที่62นะครับพี่น้องสังเกตนะตั้งแต่อายาที่58มาถึงอายาที่64เนี่ยนะห6สิบหกสิห ตั้งแต่อายาห8ถึงอายาที่62ะสิสงเกตนะอายาที่ห8ถึงอายาที่62ดูตอนท้ายมันนะดูตอนท้ายมันนะนะครับดูไปเรื่อยๆนะประมาณกี่ไม่กี่อายะสามสี่หเจดอายเนี่ยนะมีสิฟฝัตอัลลอ์อยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยมีสิทฝัตอัลลอ์อยู่ประมาณบห้าสิัต มีสิ่ัต์อัลลอ์ประมาณ15บห้าสิ่ัตดิ์สิทัต์อัลลอ์มีทั้งหมดเท่าไหร่นะ99กไม่ใช่ย0สบนะที่เราเรียนมาในย่สบแต่ที่จริงมันมีทั้งหมด99้าพนามตั้งแต่อยายะห์ที่62ถึงอยายะห์ที่ห้าจากห้าสบถึงห4สี่เนี่ยมีประมาณ15บหสิ่ัต์ของอัลลอฮ์ะุอาตาอัลาเอามาดูเดี๋ยวค่อยๆดูต่อไปนะ วันน like ี้อายาทไรหกสิบสองนะครับ t h لِكَبِيَّةِ اللَّهُ الْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ م ِ ن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير الحمد لله ข I mean, ้อเรื่องอัลลอฮ์หมดเลยนะ นะครับชมอัลลอ์ด้วยยกย่องอัลลอ์ด้วยนะครับซาลิกะบิอันนัลลอฮฺซาลิกะแปลว่านั่นคือบิอันนัลลอฮเป็นเพราะว่าอัลลอฮฺผู้อัลฮักอัลลอคือพระองค์ผู้ทรงสัจจะอัลฮักเนี่ยแปลว่าความจริงนั่นคือเป็นเพราะว่าอัลลอฮเป็นพระองค์ ผู้สงสัจจะตั้งแต่อายะที่ผ่านมานี่นะตั้งแต่อายะที่ผ่านมาเช่นอายะอะไรบ้างอะ่ะเช่นในกุอ่านอายะที่ห้าสบแปดนะครับห้าสิบแปดคนที่อบพยพคนที่ออกจากบ้านของเขาไปปกป้องศาสนาของอัลลอฮ แล้วก็ไปถูกฆ่าตายตาย شهيد หรือไม่ตายกลับมาตายที่บ้านตายธรรมชาติสองกลุ่มนี้พเวลาเขาตายเนี่ยอัลลอฮ์จะประทานรีสุกีให้แก่เขาอย่างดีและพวกเขาจะอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่เรื่อ ง, เ ร, องเรื่องที่หนึ่งที่อัลลอฮ์เล่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเรื่องที่สองในเดือนที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ทําสงครามเนี่ยมีอยู่สเดือนใช่ไหมอะ เช่นอะไรนซุลฮิจัดซุลกออดาแล้วก็มุฮัรรอมรอจับสี่เดือนเนี่ยเป็นเดือนต้องห้ามแต่พวกเราเนี่ยตีความผิดๆเยอะมากเลยต้องห้ามไม่ให้ทําแม่ทําให้ปู่บ้านต้องห้ามไม่ให้แต่งงานต้องห้ามไม่ให้ทําของดีๆทั้งหมดเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นเดือนต้องห้ามแต่ที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยห้ามไม่ให้ทําสงครามกันไม่ให้ทะเลาะกัน ให้ไปมาหาสู่กันเดินค้าขายกันไปทำฮะดีกันอะไรกันใช่ไหมอิสระแต่เราเข้าใจผิดทีนี้ในเดือนต้องห้ามเนีแต่หาคนคาเ ฟ, ฟ่มารังแกเราเราแก้แค้นได้ไหมได้แต่อย่ากแก้แค้นมากกว่าให้น้อยกว่าหรือเยี่ยงที่เขาทามาอนุญาตจะทําได้ไหมได้เราแก้แค้นแล้วเขามาเล่นงานอีกอรรถจะช่วยเหลือเองใช่ไหม นี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดที่เล่ามานี่เป็นเรื่องจริงเอาต่อมาเรื่องที่สามอัลลอฮ์ให้สร้างกลางวันกลางคืนนะครับแล้วก็ให้กลางวันในหนาะลอดเข้าไปในเวลากลางคืนให้กลางคืนลอดเข้ามาในเวลากลางวันนี่เป็นความสามารถของอัลลอฮ์ระดูหนาวกลางคืนยาวระดูร้อนกลางคืนสั้นนี่เป็นความสามารถของอัลลอฮ์มนุษย์ทำไม่ได้แต่อุลมามะบางท่านอธิบายบอกว่ า, วา กลางวันยาวก็หมายถึงมุสลิมในประเทศนั้นเยอะกลางวันสั้นมุสลิมในประเทศนี้นอ้อยก็วางตัวยังไงต้องเรียนศาสนาเยอะๆมุสลิมอยู่ที่ไหนก็ตามแต่จะอยู่ตรงไหนก็ตามถ้านึกว่าเรานี่เป็นชนกลุ่มกลุ่มน้อยต้องเรียนศาสนาและเผยแผ่อิสลามหากเป็นชนกลุ่มใหญ่ในประเทศหนึ่งประเทศใด ต้อเอาหลักการอิสลามเนี่ยมาใช้กับประชาชนอย่าไปโกดขีเเขาอะไรเขานี่เรื่องจริงทั้งหมดนี่ยอลัลลอ์เล่าว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงต่อมาครับซาลิกะบิอันัลลอฮฮุวัลฮักทั้งหมดเหล่านี้ที่เล่ามานี่นะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดต่อมาครับ وأنما يدعون بدونه هو الباطل แล้วก็ผู้ใดที่วิงวอนอื่นจากอัลลอสุบ ب ح ا ن ه แวะ ت ع า, าไปขออื่นจากอัลลอไปเคารพอื่นจากอัลลอไปกราบอื่นจากอัลลอเนี่ยทั้งหมดแล้วนี่เป็นยังไงครับผู้วัลบาติลเป็นเท็จหมดเลย อัลลอฮ์สบายใจใช่ไหมวันนี้ที่เรากราบอัลลอฮ์ที่เราอยู่กับอัลลอฮ์ที่เราขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เราไม่ทําชีริกนะั่นเป็นเรื่องจริงหากเราไปทําอะไรนอกเหนือจากคําสั่งของอัลลอฮ์เป็นเรื่องโกหกหมดเลยเรื่องผิดไม่มีประโยชน์อะไรเลยลงทุนตังเยอะแต่ผลบุญไม่มีมแถมยังได้โทษตอบแทนอีก وأنما يدعون من دونه هو الباطل น, น่าแปลว่าแท้จริงยัดเย้าน่าแปลว่าวิงวอนนะครับมินดูนีอื่นจากอัลลอฮฺหัวบาติลบาติลแปลว่าเท็จเนี่ยในโลกเนี้ยมานาอบุลฮะซันสอนดีนะก็บอกว่าการมีชีวิตอยู่ของคนกาเฟสเนี่ยกับ การมีชีวิตอยู่ในระบบอิสลามเนี่ยอันไหนแท้ระบบอิสลามน่ยแท้ใช่ไหมระบบกาเฟตที่วางพู่นขึ้นเป็นบาติลแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมองระบบกาเฟสเนี่ยมันน่าปฏิบัติเพราะมันมีวางระเบียบวางกฎเกณฑ์ไว้สวยมากเลยถูกจัดระเบียบไว้สวยมากแต่ของเราเรื่องของจริงแต่เราไม่ได้จัดระเบียบในชีวิตประจายใช่คนกาเฟสมันจัดระเบียบชีวิต มุสลิมเนี่ยไม่จะจัดระเบียบชีวิตเหมือนกับว่าไอ้ของที่มาจากอัลลอฮ์นั่นเป็นเรื่องไม่จริงและมองของที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั้นเป็นเรื่องจริงความคนสร้างอ่ะมันสร้างกระแสมีทีวี ม, มีนู่นมีนี่โฆษณาทุกวันมีหนังสือพิมพ์กับโฆษณาทุกวันของของเท็จในลันากษณะเป็นเรื่องจริงไปเลยลูกหลานเราเสียเนี่ยเพราะเรื่องงี้ต่างเหรอนี่อัลลอฮ์ก็เล่าให้เราฟังระวังนะม่านาบูซันพูดดีนะ ไอร้ระบบเท็จเท็นี่แหละถ้ามันทำเป็นระเบียบดีมีกฎมีเกณฑ์ดีคนไหลเลยหลายตามมันแต่อิสลามเนี่ยมันของจริงแต่พวกเรา穆斯林เนี่ยไม่ได้วางระบบชีวิตเอาไว้ให้เป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนก็มองดีมองมึนเหมือนกับแพ้นั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราต้องยึดอัลอิสลามยึดระบบชีวิตของเรานะเช่นอะไรบ้างนมาท่าให้เวลาเนี่ยอย่าขาดแต่ยินเสียงอาจารย์ไปมัสยิดให้หมด แล้วกลางคืนอย่านอนดึกนบีพูดว่างไงนะว่าฉันไม่ชอบรังเกียจที่จะนอนก่อนนามาติชาฉันไม่ชอบที่จะให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยเป็นไงถูกไหมพูดคุยกันเรื่องไราสาระหลังนามาติชานี่พอฟังสองของคําไม่รู้เลยนบีต้องการให้เรานี่นะอย่านอนจนกว่าจะนามาติชาเสร็จถ้าจะนอนให้นอนหลังนามาติชา หลังนมาอิชาถ้าไม่มีเรื่องธุระเรื่องศาสนาไม่ต้องไปนั่งคุยมาตรวจไปดูละครละครหยุดให้หมดแลรีบนอนแต่ว่าข้าแล้วตื่นตอนไหนครับนี่ไงอตอนตีตีสามครึ่งต 4, นนีสี่รอกรนมาซูโบชั่วโมงหนึ่งนี่ได้อะไรอะไรอีกเยอะมาแต่อ่านกุรา่าอานแด่ทีกระดุนแลแต่นมาแต่หัาหยุดตียาบุญเลนได้นมาวิจงวิเทศแต่ขออนุอาตตอนรอนี่คือชีวิตของผู้ศรัทธาต่อนรตอนรต้องอยู่อย่างนี้ เราเดินเต็มดานเดินตามพวกผู้ตะวันตกพวกยาฮูดีพวกกาเฟตนอนมุสลิมนอนดึกพะนอนตีหนึ่งอ่ะซูบเตืนไว้มากอย่างนี้เป็นต้นจากนั้นเอาชีวิตของมุสลิมนี่นมาใช้นะครับของอัลลอฮ์ س ب ح า ن ه และ تعالى ว่าอัลลอฮ์ฮุวะลัยยุลกับิดและแท้จริงอัลลอ ตรงนี้มีสองคุณลักษณะแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้สูงส่งอาลียุนสูงสง่งในตัสเซตอิบนุกซิดอธิบายบอกวา่าอัลลอีลาอัลลามินหูไม่มีผู้ใดและสิ่งใดสูงกว่าอัลลอฮ์อัอลลอฮ์สูงที่สุด อ, า ล, ล อ, า, อลาลียุนว่าอันลลอฮะฮุวะลอาลียูนอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีสิทธิ์คุณลักษณะที่สูงที่สุดอลัลกับิด อัลลอฮ์ลาอัลบาลุมินหูไม่มีผู้ใดสิ่งใดใหญ่ยยกว่าอัลลอ์และยิ่งใหญ่กว่าอัลลอ์ไม่มีอัลลอ์ใหญ่สุดอัลฮักเนี่ยอุลามาได้อธิบายไว้นการว่ามีอยู่สมรายการที่ว่าสัตว์จริงเนี่ยหนึ่งสิฟัตของอัลลอ์เนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะเ9เป็นเรื่องจริงอัลลอฮ์รู้เนี่ยอัลลอฮ์เห็นนะในมัสยิดเราเนี่ย น, นั่งกันอยู่กี่ร้อยคนอล ร, รู้นะ โดยใช้สื่อไหมไม่ต้องใช้สื่อพี่น้องที่ดูทีวีเนี่ยใช้สื่อนะเดือนละ8 5 0 0ห้านะค่าดาวเทียมอ่ะแต่ของอลัลลอฮ์นี่ไม่ต้องใช้สื่อเลยอลัลลอฮ์อยู่บนบัลลังของอลัลลอฮ์บนชั้นฟ้าบัลลังอารัชอยู่บนชั้นฟ้าสูงที่สุดอลัลลอฮ์อยู่บนบัลลังแต่อลัลลอฮ์ทรงเห็นโดยไม่ต้องใช้สื่อได้ยินโดยไม่ต้องมีสื่อแล้วก็ทรงรู้โดยไม่ต้องมีสื่ออา้าว ใครนั่งอยู่ในมัสยิดหลังนี้กี่คนอลัลลอฮ์รู้หมดเห็นไหมเห็นหมดโดยไม่ต้องมีสื่อแล้วก็รู้ด้วยว่าเขากำลังอ่านอะไรกำลังคิดอะไรแล้วก็เห็นด้วยรู้ด้วยได้ยินด้วยเสียงที่เขก็อยู่ในใจของเขาคิดเรื่องอะไรอลัลลอฮ์รู้หมดเลยโดยไม่ต้องมีสื่อเนี่ยถ้าเราอ่านคุณอ่านแล้วนึกตรงนี้นะอิมานเพิ่มไหมเพิ่มชีริกขจัดได้ไหมขจัดได้เลยนะครับ ข้อที่สองนะครับอัลลอฮ์เป็นเจ้าแห่งความสัจจะไม่มีใครที่จะพูดเรื่องจริงเท่ากับอัลลอฮ์สุบฮานาอู ว, วาตาลาเหย่างใ น, นสุรอะยูซุฟอะเรื่องเล่าของนบียูซุฟน่ยมีเป็นพันๆเรื่องเลยเล่าผิดทั้งนั้นเลยอัลลอฮ์บอกว่าอักษานุ ล, ลกอซ อ, อักษานุลกอซฉันเล่าเรื่องประวัติของนบียูซุฟที่ดีที่สุดเพราะอัลลอฮ์พูดแต่เรื่องจริงจริงจริจริงๆริรหมดเลย ฉะนั้นถ้าไปอ่านประวัติของนบียูซุ้วกจ้องอ่านจากอัลกุรอานถึงจะเป็นเรื่องจริงถ้าไปอ่านหนังสือขึ้าที่ขายแต่งนี่นะมีโกหกบ้างอะไรบ้างเต็มไปหมดนะ่ยแบบนิยายนะี่แหละโอ้โหนะพี่น้นองเอาเรื่องที่สที่ว่าอัลลอฮ์เป็นเป็นจริงนั่นการที่เราไปบูชาอัลลอฮ์กราบอัลลอฮ์พักดีต่ออัลลอฮ์เป็นเรื่องจริงเลย ไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากเอาล่อเป็นเรื่องบาปตินเรื่องอะไรนะเรื่องโกโหกหมดเลยเป็นเรื่องเท็ดหมดเลยฉันเลยเชิญชวนพี่น้องเนี่ยผมไปยุธยาณไม่ได้แล้วมันจะเล่นงานอะ่ะพอไปพูดพาดพิงโตะตะเกียร์เยอะไประยองก็ไม่ค่อยได้แล้วทำไมล่ะก็จะพูดเรื่องโตะตะเกียรโตะระยองพูดเรื่องสยศาสตร์ให้เลิกให้หมดพี่น้องผ่าเขียวผ่าแดงอะไรแต่อะไร เลิกให้หมดเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องปลอมหมดเล ย, ยะฉะนั้นไว้วางใจกับอัลลอฮ์องเดียวนะครับเอาต่อมาอายาที่60สอัลลอฮฺตาลออันอัลลอฮฺอันซาลามิน السماء ما فطصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فتصبح الأرض مخضرة อินนัลลอฮะเลติฟ wow, ah ุนขับิอ์อัลฮะมดุลลอฮ์อัลฮะมดุลลอฮ์อัลฮะมดีลากครอัลฮะมดุลลอฮ์อัลฮลอฮ์อัลฮะมดถลลอฮ์อัละมดุลลอฮ์อัลฮะดุลาอฮ์อัลฮมดุลลอ์ลฮะไดุลลอฮ์ัลมดุลลอฮ์อัละมดุลอัมดุลลอฮ์อัละุลลอฮ์อลงปรดุลลอฮ์อัลฮะมดนลลอฮ์อัลมุลมอัลฮมลลอฮ์ัลฮะมดว่าอฮัมด หรืออธิบายว่าคนที่อ่านอัลกุรอานเนี่ยเคยสังเกตบ้างไหมอลัมตารอท่านนบีมุฮัมมัดหรือผู้ที่อ่านอัลกุรอานเนี่ยไม่ได้พิจารณาดูหรืออัลัมตารอทำไมไม่พิจารณาดูบ้างละ่ะสังเกตดูบ้างวาอะไรครับอันอัลลอฮแท้จริงอัลลอฮ์อันซลาะมินสมาอิาอันซาลาแปลว่า ได้ประทานลงมาได้หลั่งลงมาได้ประทานลงมาได้หลั่งลงมาจากไหนครับมีนั ส, สมาจากชันฟ้าความจริงสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาจากชันฟ้าเนี่ยอะไรบ้างเรานั่งคิดดูสิวะฮีมาจากไหนชันฟ้ากูอ่านมาจากชันฟ้าเห็นไมมวะฮีมาจากชันฟ้าอัลลอฮ์อยู่บนชันฟ้า ยิบรียอยู่บนชั้นฟ้ามาลาอิกาอยู่บนชั้นฟ้าฝนอยู่บนชั้นฟ้าเมฆอยู่บนชั้นฟ้าของอยู่บนชั้นฟ้านี่เต็มไปหมดเลยนะให้พิจารณาดูบ้างคิดดูบ้างใช้ปัญญาบ้างอันซาลามีนัสสามะอิมา อ, อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาจากเบื้องสูงอัลซามาแปลว่าชั้นฟ้าหรือเบื้องสูงอะไรครับมาอันแปลว่าน้ำอัลลอฮ์มา หรือว่ามวยอ่ะภาษาภาษาอาหรับบ้านๆนะนะอาหรับตลาดมวยอ่ะมวยอ่ะใช่หไหมแต่มาอ่านแปลว่านา้ำให้ไหมน้ำฝนฝนตกเองได้ไหมถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุญาตตกไม่ได้ครับถ้าอัลลอฮ์ไม่ไฟเขียวเนี่ยตกไม่ได้ทิ้งเราไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ไอเรื่องเรื่องฝนสิให้หมันต่อเป็นนักเรียนอ่านต้องไงมีก้อนเมฆอุ่มฝนแล้วก็ลมก่พัดนะครับ ให้ไปตกตรงนั้นตรงนั้นไอ้ผู้ที่สั่งให้ตกนะใครอั Allah al Allah a, ลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอ์บริหารโลกใบนี้นะทุกเวลานะเพราะอัลลอ์ไม่นอนแล้วก็ไม่ง่วงนอนถ้านอนก็นง่วงนอนก็จบสิไ่้ไหมนี่ไม่ง่วงนอนนะจะให้ฝนไปตกตรงไหนอัลลอ์นนะ Allah สั่งมา เ, าเลยกาอามาลกาพาก้อนเมฆอันนี้ไปส่งไปตกที่พัทยามาเลก์กาก็ไล่ไปเนี่ย ก้อนเมฆอุ Stella, swamp, ้มอุมอุมน้ำฝนไปอุ้มน้ำไปไปไปไปตกที่นั่นอัลลอฮ์บริหารชั้นฟ้าด้วยบริหารแผ่นดินด้วยบริหารคนด้วยบริหารมนุษย์ด้วยดูแลสัตว์ด้วยดูแลต้นมงต้นไม้แต่เพียงผู้เดียวต่อมาครับฟาตุสบิฮุลอารดูมุฮดรตุสบิฮุแปลว่ากลายเป็นอัลอารดาแปลว่า อาร์ตแผ่นดินภาษาอังกฤษภาษาดาบใช้เหมือนกันเอิร์ธเอิร์ธอาร์ตุเห็นไหมใครเอาใครฝรั่งลอกอุลอาันใช่ไหมเอิร์ธเอิร์ทแผ่นดินแผ่นดินนั่นกลายเป็นมุฮบา ร, ร์ตันมุฮบา ร, ร, รแ์แปลว่าสีเขียวอัลลาห์อักฮฺเห็นยังครับอัลลอฮฺเล่าให้ฟังมนุษย์มาต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาตามอุลอาันนี่แหละ เมื่ออัลลอ์ให้ฝนตกลงมาน้ำฝนได้มีบาระกัดขนาดไหนทำให้แผ่นดินนั่นกลายเป็นสีเขียวอะไรเขียวเพราะต้นไม้มันขึ้นอัลลอ์พืชพันธุ์ัญหานขึ้นหมดเลยแม้แต่คนเองก็แฮปปี้ใช่ไหมสัตว์สัตว์นี่สึกเกะถึงอัลลอ์อแอบอแอบออลแอฮเป็ดไก่นี่อัลลอ์อักบอฮ์ิกเกะถึงอัลลอ์หมดเลยเห็นอย่างครับนั่นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ล อุลมามะในตัฟซฟภาษาอูรดูที่รอบิโต้พิมล่ะอธิบายอย่างนี้นะแผ่นดินเนี่ยพอถูกน้ำฝนกลายเป็นสีเขียวต้องจารจะอธิบายว่าแผ่นดินนั่นเปรียบสเสมือนคนกาเฟตคนนี่นะทําไม้รู้จักอัลลอฮ์นี่นะเปรียบสเสมือนแผ่นดินที่แห้งแล้งโอเทบดาดีใช่ไหม แผ่นดินกับคนนี่เหมือนกันแผ่นดินที่ถูกน้ำฝนเป็นแผ่นดินที่มีชีวิตชีวาเขียวขจีคนก็เหมือนกันทาไมได้รับอิสลามที่มาจากชั้นฟ้าผ่านเยบรีนมาถึงคนคนนั้นคนคนนั้นแห้งแล้งหัวใจแห้งแล้งเหมือนแผ่นดินที่แห้งแล้งเหมือนแผ่นดินที่ไม่มีชีวิตชีวาเป็นแผ่นดินที่ไม่ได้รับน้ำจากอัลลสุบฮ า, า, า, านาฮูวาตอาลน้าเปรียบเสมือน อิสลามน้ำเปรียบเสมือนของดีๆวะฮีที่มาจากอัลลอ์สุบฮานาอูันอาลเพราะฉะนั้นคนที่เอาอัลกุรอานที่มาจากชั้นฟ้ามาศึกษาหาความรู้แล้วก็ยอมรับอัลลอ์ยอมรับรอซูลเปรียบเสมือนแผ่นดินที่ได้น้ำเมื่อได้น้ำและเบงกับเขียวขจีเขียวชะอุ่มต้นพงต้นไม้มันขึ้นเต็มไปหมดเลยเอละไรพอเรา มี إ ي م านต่ออัลลอฮ์ปั๊บเนี่ยมีศีลอดของอัลลอฮ์อยู่ในใจเจริครับเก้าศีก้าเน่ยเป็นต้นไม้นะ่ะที่ขึ้นในใจเราเนะี่ยอัลลอฮ์อักบั๊บเก้าเก้าเก้าศูเก้าต้นนะ่ะแล้วมีอายะคุรอ่านเอกหกพันหกร้ยกว่าอาอยะคุร์ในหัวใจเนี่ยจเจริญงอกง า, ามไหมวินชีวิตวิญญาณโอ้เห็นยังรครับฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมนั่นเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเพราะต้องอ่านกุรอาน แล้วก็มีของเขียวขจีขึ้นอยู่ในหัวใจเต็มไปหมดเลยนะครับฉะนั้นคนกาเฟทถ้าไม่เรียนกุรานเปรียบเสมือนแผ่นดินที่แห้งแล้งแผ่นดินที่ไม่มีที่ไม่มีต้นไม้แผ่นดินที่อะไรนะแผ่นดินที่ที่ไม่มีอะไรอยู่เลยแห้งแล้งอะใครหน้าใครหน้าจะไปอยู่ไหมที่ไม่มีใครไปอยู่หรอก แฉ่นั้นถึงจะทําฝนเทียมในหลวงก็เก่งอราทำจนแล้วนะทําฝนเทียมเพื่อจะมีนงมีน้ํานี่เข้าไปแต่ฝนเทียมเสียอย่างหนึ่งกําหนดให้ตกไม่ได้จะให้ตกที่พรทยาได้ประตกที่บางนู่นไปตกที่จังหวัดตราดทำอนลีแล้วเอาอายาเนียดีไหมดีครับตอสอนเตือนเราแค่นั้นเป็นมุสลิมดีกว่ารอวาฮีจากอัลลอฮ์จะทําให้หัวใจท่านเป็นหัวใจที่เขียวขจีตลอดเวลา ลัมตรอแหน่ทูลาอฺอนซาลมินัสสฺมอิมาเหมือนกับบอกนบีมุฮัมมัดเอ๋ยหรือผู้ที่อ่านคุรานเคยไม่ได้พิจารณากหรือแท้จริงอัลลอฮเนี่ยได้หลั่งน้ำได้สวมประทานน้ำได้หลั่งน้ำลงมาจากฟ้าฟาแล้วก็น้ำเนี่ย พามาถูกแผ่นดินที่แห้งแล้งเนี่ยกลายเป็นม uh ุฮดรอจันเป็นสีเขียวอินน e ัลลอฮะลาตีฟุนขาบีตรงนี้มีสองสิ่งัดของอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นมีสิ่งฟัดอะไรครับลาตีฟุนผู้ทรงละเอียดอ่อนยิง่งละเอียดอ่อนแสดงว่ารู้อย่างละเอียดเลยอัลลอฮ์ แล้วก็ขอบีรุนทรมต้นหนาก็รู้เหมือนกันพี่น้องอธิบายอย่างนี้นะต้นไม้ที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้ในประเทศไหนก็ตามอัลลอฮ์รู้หมดว่ามีกี่ต้น <c oughs> แล้วก็ใบไม้ที่ร่วงลงมานะแต่ละใบแต่ละใบอะ <c oughs> ร่วงวันนี้น า, น, นาทีนี้ในกี่ใบอัลลอฮ์รู้หมดรู้หมดเลยครับรวมไปถึงมเมล็ด มเมล็ดพืชเนี่ยที่วานอยู่ตามหน้าแผ่นดินเนี่ยอลัลลอฮ์รู้หมดนะและะ้วเมล็ดใบไหนอันไหนที่ที่จะทําให้งอกและไม่งอกอลัลลอฮ์รู้หมดเลยครับรวมไปถึงมนุษย์แต่ละคนแต่ละคนที่อลัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยสังเกตอลัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากอะไรครับมาจากน้ำมัสุจิใช่หรือไม่ใช่จากมสุจิไปอยู่ในมดลูกสี่สิบวันกลายเป็นก้อนเลือด สี่สิบวันกลายเป็นก้อนเนื้อแล้วก็มีกระดูกมีเนื้อหุ้มหุ้มุมกระดูกพอครบร2 12, อยี่สิบวันสี่สา2รยี่สิบวันหยุดมลูกผู้หญิงอลัลลอฮฺกำหนดให้สี่รายการขอบคุณอลัลลอฮนี่อลัลลอฮเล่าให้ฟังนะฉันดูแลมนุษย์อย่างนี้อยู่ในมดลูกสี่สิบวันเป็นน้ำอสุจิจากอสุจิมาเป็นก้อนเลือดจากก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อ แล้วก็มีกระดูกระมีเนื้อหุ้มกระดูกเมื่อครบร้อยี่สิบวันอลัลลอฮ์เป่าวิญญาณลงไปพอเป่าวิญญาณปั๊บอลัลลอฮ์บันทึกให้สี่รายการข้อที่หนึ่งเรื่องริสกีทําไมต้องต้องริสกีก่อนอะริสกีสําคัญที่สุดเนี่ยพอริสกีหมดอาญาณมาใช่ไหมไม่ใช่แะ่ถ้าพอมีอลัลลอฮ์กำหนดริสกีสองกำหนดเครื่องกําหนดวันตายคนเนี้ยอยู่บ น, นเรือดุนยานี้กี่วัน บางคนตายอยู่ในท้องใช่หรือไม่ใช่เยียมไม่ได้ทันออกมาเลยในแปเดือนเก้าเดือนเอาแทงเห็นไหมบางคนอายุสี่สิบบางคนก็ยี่สิบบางคนสิบห้าบางคนแปดสิบบางคน 90. เก้าสิบหมดยเลยเลยเอาล็อกําหนดหมดละกอนอาย่านี่เราอ่านไว้เอาทุกวันหนึ่งของอลัลลอฮฺพันปีใช่ไม่ใช่แล้ะพันปีเนี่ยถ้าหากว่าครึ่งวันห้าร้อยปีถ้าแปดสิบปีสองชั่วโมงเห็นไหม อยู่บนโลกดุนยาเนี่ยสองชั่วโมงใช้เวลาเท่าไรแ8ดสิบปีนี่ถ้าคิดว่าวันหนึ่งของอัลลอฮฺผ่านปีถ้าวันหนึ่งห้ามืนปีละกี่นาทีแป๊กๆๆกแกแค้นเหี้อยู่บนดุนยาสั้นนิดเดียวแล้วเราจะเอาาำนดเวลาแป๊กๆป๊กแปสองสามนาทีตกนรกอ่ะต้องใช้ปัญญาอัลลออากบะะนัญตยาตกนรกนาะเอาต่อมาครับ พอกำหนดริสกีสองกำหนดอาญสามกำหนดอามัน่นกำหนดงานแต่ละคนมีอาชีพครับกำหนดที่สี่จะเป็นคนดีหรือคนชั่วเห็นยังครับบางคนอธิบายว่าแฮปปี้หัวเราะกี่ชั่วโมงหัวเราะกี่วันอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็เสียใจแล้วก็เศร้าใจกี่วันนั้งเวลาแฮปปี้ต้องอ่านต้องอ่านดุอาเวลาเสียใจต้องอ่านอุอาเสียใจอ่านุอาบทนี้ อินนาลิลลาฮิวอินนาอิลัยราญะอุนอัลลอฮุมะจุร์เนฟิมุซิบติวะคลิฟลีคอยร์มินะสอนไว้หมดนะท่านอิสลามเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำฝนที่มาจากฟากฟ้าใครได้อิสลามไปได้ศาสนาไปได้ของไปให้ครบนะเปรียบเสมือนต้นไม้เขียวขจีบุนหัวใจของเขา เราทำด้วยแล้วเราต้องภูมิใจที่เราเป็นมุสลิมและภูมิใจที่มีสุนนะของท่านนาบีมาจำกับชีวิตนะครับพี่น้องอัลลอฮ์พี่นอ้ Allah, นองครับอายาณนี้อธิบายกว้างนะเขาบอกว่าลมก็เหมือนกันที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยไม่ใช่มาเองนะ <c oughs> ฝนก็อัลลอฮ์กำหนดลมก็อัลลอฮ์กำหนดคนก็อัลลอฮ์ก็กำหนดอัลลอฮ์อักบัดน้ําอสุจิของมนุษย์อัลลอฮ์ก็กำหนดอัลลอฮ์เพศผู้หญิงผู้ชายอัลลอฮ์กำหนด มัหมดหมดเลยครับพี่น้องฉะนั้นเราต้องนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮ่าดูตอาลาให้เยอะๆนะกรับพี่นปป้นองทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละพี่น้องอย่าทรายศต่ออัลลอฮ์นะมีพ่อแม่บางคนก็สอนลูกดีลูกมันดื้อๆนะบอกลูกเอ้ยถ้าจะทำบาปลูกไปทำในที่ที่อัลลอฮ์มองไม่เห็นสอนดีมากเลย ถ้าลูกจะทําบาปนะ่ะไปทําในที่ที่อัลลอฮ์มองไม่เห็นโอ้พระพูดอย่างนี้เราต้อ ง, งนึกดิล้วที่ตรงไหนที่อัลลอฮ์มองไม่เห็นอัลลอฮ์เห็นหมดเลยดวงดุงยาใบนี้ทุกตารางเม็ดนื้รู้หมดเลยอ่ะแค่นั้นไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าทําบาปเลยอย่าไปทําบาปนะครับเพราะอัลลอฮ์ทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินทั้งทั้งที่อัลลอฮ์อยู่บน บาลังของอัลลอฮ์อยู่บนชานฝ้าสูงขนาดไหนอะัลลอฮ์ก็รู้ว่ามนุษย์นี่ทําอะไรนะครับต่อมาครับอายาที่หกสิบหกสิบหนะใช่ไหมอ๋อไม่ใช่สิหกบห้าเอ้ไม่ใช่หกสิบสี่ทำอยู่เลยแล้วหูมาฟิสมาวาติวมาฟิลอัล وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اللَّهُ أ َ ك ْ ب َ ر لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اللَّهُ أ َ ك ْ ب َ ر นี่ก็ชมอัลลอฮ์มันการอัลลอฮ์ a, เล่าให้มนุษย์ฟังผ่านนบีมุฮัมมัดและคนที่<ม>อ่านกัมภีร์ต้องได้ความรู้จากอายานี้สามสี่เรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึงลาฮูเป็นของอัลลอฮ์มาฟิสมาวาสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดสามาวาสีต่ต้องต้องต้องเจ็ดนะสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้แต่เพียงผู้เดียวเป็นของอัลลอฮ์ อา้นานบีที่ตายไปแล้วอยู่บุนชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งใครนบีอาดัมอ่านที่สองนบีอะไรชั้ทนที่สามนาบีอะไรชั้นที่สี่นบีอะไรอ่ า, อาผมเล่านะัชั้นที่หกนั้นนบีมูซาอะไลฮิสลาอัลลอฮฺอักบะดยิ่งใหญ่มากเลยไปน้องบนชา้นฟ้าเนี่ยอัลลอฮฺรู้แต่เพียงผู้เดียวถ้าอัลลอฮฺไม่เล่าให้เรารู้จะ ร, รู้ได้ไงนบีอิสล า, าอยู่บุนชั้นฟ้า มดออัลลอฮเาะฉะนั้นละหูมาฟิสมาวะตสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดเป็นของอัลลอ์วะมาฟิอัีและที่อยู่ในแผ่นดินก็เป็นของอัลลอ์นี่เราเนี่ยเป็นของใครของอัลลอฮ์เเป็นเจ้าของถ้าเราใจดีนะขนาดไม่เอ า, เาอัลลอฮ์ยังเมตตายัางมาให้ออกซิเจนให้บ้านให้เมีย ให้ลูกให้นุ่นให้นี่ทั้งทงที่ไม่สุยูต่ออัลลอฮ์ทรยศต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เมตากันนาดไหนถ้าเป็นเราเนะน่ป่านนี้ตัดฤรืสกีกันหมดแล้วใช่หรือไม่ใช่ไม่พอใจตัดไม่พอใจตบไม่พอใจเตะแต่ของ a, อัลลอ์อ่างเชิญตามสบายนั่นต้องชม a, อัลลอฮ์เยอะๆนะพี่น้องละหูมาฟิสมาวาติวามฟิลอาลเป็นของพระองค์เป็นของอัลลอ์ คือที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและที่อยู่ในแผ่นดินนะครับนี่ทําเ้เรารู้ใช่ไหมโอ้งั้นดูทองฟ้านั่นของอัลลอฮ์ในอายาอื่นอธิบายอย่างนี้วะชัมซีวะตุฮาฮอัลลอฮ์เนี่ยสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนชั้นฟ้าแผ่นดินสร้างคนแล้วก็สร้างสัตว์แปดรายการดังนั้นใครจะเป็นพระเจ้าก็ได้ ให้สร้างแปะรายการให้ได้ก่อ น, ฉ, นฉันจะกราบไปดูแต่ถ้าสร้างไม่ได้ฉันไม่กราบอยู่แล้วนี่หนไหมอัลลอฮ์สอนในมุสลิมฉลาดขนาดนี้เกียอยู่ฉะนั้นในชั้นฟ้าเป็นของอัลลอฮ์ในแผ่นดินเป็นของอัลลอฮ์ชั้นฟ้าเป็นของอัลลอฮ์แผ่นดินเป็นของอัลลอฮ์ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดอัลลอฮ์เป็นของอัลลอฮ์ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์สุดทานะวัตวตาใหญ่ต่อมาครับสิ่ักอัลลอฮ์ و อินนัลลอฮะลห์วะลฺหฺนีอฺลฮามีด <يد> ละแท้จรอัลลอฮลห์วะลฺหฺนีลฺหนียุนแปลว่ารวยแต่ตรงนี้แปลว่าผู้ทรงมีอย่างเหลือหลายอัลลอฮ์ไม่พึ่งมนุษย์ถ้าคนทั้งโลกนี้ไม่เอาอัลล์เนี่ยอัลลอ์ ตำแหน่งจะลดไหมไม่ลดครับยังใหญ่เหมือนเดิมไม่มีใครเอาอัลลอ์สักคนหนึ่งบนโลกดุนยาไปนี่อัลลอฮ์ตำแหน่งลดไหมไม่ลดครับนั่นอ่ะอัลลอ์ไม่เคยพึ่งมนุษย์มีเหตุการณ์ปฏิวัติกันน่ะอัลลอม์มีมีมีวุ่นวายไหมไม่มีครับอยู่เฉยๆฉะนั้นอัลลอ์นะครับมีสิทธิ์อะไรนะเป็นผู้ทรงมีอย่างเหลืองเหลือหลายแล้วก็ข้อที่สองอัลฮามิษ ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญตลอดเวลาเอ้ามาดูอาจารย์ของอัลลอฮ์อาจารในโลกนี้ไม่มีเวลาว่างสักหนึ่งนาทีครับตั้งแต่ประเทศฟิลิปปินส์ยันประเทศทั่วโลกนี่เป็นน้องไล่ของล็อกล็อไล่ไปสิไม่มีเสียงอาจารย์ขาดแม้แต่หนึ่งนาทีครับมิแต่อาจารอาจารอาจารอาจารอาจารย์อาจารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักุบาร์ ผู้โลกนี้ไม่มีเวลาว่างสักหนึ่งนาทีไม่มีใครสรรเสริญอัลลอฮ์สุภาห์าคาไม่มีกับสรรเสริญตลอดเวลาเลยก็ไปดูอะไรเนี่ยโลกเวลามันต่างกันหอยู่เล่อยอัลลอฮ์บัยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับทำอยู่เลอยแ่นั้นสฟาของอัลลอฮ์นี่มีทลายเยอเนี่ยแค่หกเจ็อายานมีสบห้ารายการแล้วนะอัลลอฮ์ทรงมีอย่างเหลือหลายอัลลอฮ์ไม่พึ่งมนุษ และมนุษย์จะต้องพึ่งอัลลอฮ์ سبحانه ะุ์ุประทานาข้อที่สองอัลฮามีสผู้ทรงได้รับการสารเสิญตลอดเวลาต่อมาครับอายาที่หกสิหอัลัมตรออัลลอฮะซักฮารุลกุมมาฟิลอาร์วัลฟุลกัตเจริฟิล بحر ิบอัมริ ويمسك السماء أنت ق على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لراوف الرحيم الله أكبر ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض วَลฟุลกตาจุรีฟิลบาฮَรีบิอัมَิห์วาย أ َซิกุสมะَั ل ตะกะฮะลาล้อِ์ดิอิลลา ل َอิษนีอินนัลลอฮะบินนาติลรอฟ ا ل รา ل หิมอัลُะมดุลลอฮ์กั ل ุนอัลลอฮ์อัลลอฮ์เล่าเรื่อง อัลลอฮ์นี่ให้มนุษย์ดูแลอะไรบ้างอัลลอฮ์คอนโทรลอะไรบ้างนะครับอัลัมตาร์คุรา น, นี้พระทานกับท่านนาบีพูดกับท่านนาบีมุฮัมมัดท่านไม่เห็นหรืออัลลมาบางท่านอธิบายว่าคนที่อ่านกุรา น, นี้ก็ต้องคิดเหมือนกันอัลลอฮ์บอกอัลัมตาร์มุฮัมมัดเอ๋ยหรือคนที่อ่านคุรานอ้ายา น, นี้อัลัมตาร์คุณเคอรชายปัญญาบ้างไหม อันอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮซักคาราลากุมซักคาร์แปลว่าให้อยู่ใต้อำนาจของสูเจา้าอให้อยู่ใต้อำนาจของสูเจ้าให้คุณเนี่ยควบคุมดูแลแทนอัลลอฮเห็นไหมเล่าให้ฟังเจ้าของที่แท้น่ยคืออัลลอฮแต่ว่าอัลลอฮให้คุณรับผิดชอบดูแล ระหว่างที่คุณมีชีวิตอยู่สองชั่วโมงบนโลกดุนยาบบนี้อายุแปดสิบปีกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าคิดวันหนึ่งหนึ 1, ่งพันปีถ้าคิดห้า0มืนปีไม่รู้ว่ากี่นาทีสองนาทีครึ่งมงึเอา้าใครที่มีชีวิตอยู่สองนาทีครึ่งให้ดูแลของที่เอาล่อให้รับผิดชอบ มาฟิลอับดิสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนี้อยู่ใต้อำนาจการดูแลของคุณชั่วคราวเอาอะไรบ้างภรรยาเอาเราให้ใช่ไหมดูแลหรือเปล่าอย่าตบตีเธอไม่ได้ด่าเธอไม่ได้เตะเธอไม่ได้ต้องเอาเงินให้เธอดูเสื้อผ้าดูอาหารดูที่อยู่อาศัยห้ามตบหน้าห้ามดา่าแต่ให้พูดจาดีๆ ได้ผลแบุญตอบแทนจาก a ล l a h ลูกก็เหมือนกันอยู่ใต้าการดูแลของพ่อทำยังไงล l l a h สอนอย่าทำห้าข้อ5้าข้อนี่นะทำให้ดี 1. น่งอย่าพูดคำว่าเออกับพ่อแม่สองอย่าตวาดพ่อแม่อย่าไล่พ่อแม่ข้อที่สามให้ลดปีกให้หมดอา้าวทุกคนมีปีกใช่ไหมไมันจะปีกแบบนกหรอกความรู้คือปีกตำแหน่งคือปีกใช่ไหม ตำแหน่งสจสอขอเป็นปีกสสเป็นปีกลดให้หมดมาอยู่ต่อหน้าพ่อแม่แล้วก็ให้พูดจาไพเราะกับพ่อแม่แล้วก็ให้ขอดูอาให้พ่อแม่นี่นเมื่ออัลลอฮ์ส่งพ่อมาดูแลคุณคุณต้องขอดูอาต้องทำห้ารายการตามที่อัลลอฮ์สัง่งอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนชีวิตของเราเนี่ยมีคำสั่งกำกับหมดเลยครับ อลาลตรอ น, นั ล, ลสัขขลกรลกุมมฟิลอรดีมุฮัมหมัดเอ๋ยหรือผู้ที่อ่านกุรานเอ๋ยไม่ได้พิจารณาหรือว่าอัลลอได้ทรงทมที่อยู่ในแผ่นดินนี้อยู่ใต้อำนาจคือเป็นประโยชน์กับพวกท่านคิดบ้างหรือเปล่าอัลลอแผ่นดินนี่ถ้าอลัลลอคิดข้าเดินน่ะจากบ้านมามัสยิดจายไหวอ่ะ เดินจากบ้านมาสซเราเนี่ยแต่อัลลอ์ต้องการให้ขอดูอาอย่างเดียวนะออกจากบ้านไปขอดูอาเดินมามัสยิดให้อานดูอาจะเข้ามัสยิดให้อานดูอาเดินผ่านกุบโบยืนสักหนึ่งนาทีอัสสลามอลัยกุมอลดิยาร์มินัลมุเอมินีนวลมุสลิมีน้นอินชาอัลลอฮบิคุมลาฮิกูนนอลุลลอฮละนาวลกุมลอาฟยเดินมาเห็น ของที่เป็นอันตรายก้มลงเอามือทรายหยิบแล้วก็โยนไปให้เป็นอันตรายกับคนที่เดินทางมาที่หลังเราได้ผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยอนะัลลอฮ์ให้เราดูแลโลกวันนี้ชัวคราวแค่สองวันแค่สองชั่วโมงเองเอาต่อมาครับเรื่องที่สองวันฟุลกับอัลลอฮ์เห็นไหมให้เราใช้ปัญญาพูดถึงเรืออมามัดอยู่กับเรือมาแล้วจะมากาะยังมะเรือครับ เรือในมหาสมุทรไม่กี่ประเภทล่ะวันฟุลมาถึเงเรือใหญ่ๆนะอัลลอฮฺ ต, ตาจรีที่มนแล่นอยู่นั่นนะฟิลบหรีบหรีในในใน้้ำทะเลในมหาสมุทรบีอัมรีฮีเป็นคำบัญชาของอัลลอฮแล่นอยู่ในน้ำในหน้าน้้ำโดยพระบัญชาของพระองค์ฉะนั้น คนที่ลงเรือจะเป็นหาปลาอะไรก็ดีไม่ต้องเอาผ้าเขียวผ้าแดงไปผูกหัวเรือเพราะบางคนที่มีผ้าเขียวผ้าแดงผ้าเหลืองผ้าโดนขอนเพราะว่าอะไรนะเชื่อว่ามีแม่เจ้าเจ้าแม่เจ้าพ่ออยู่ในทะเลนั่นความคิดอกิดาของชาวฮินดูต่างหากฮินดูเชื่ออย่างงี้คุมทะเลพระเจ้าอีกองค์หนึ่งคุมแผ่นดินอีกองค์หนึ่งคุมต้นไม้อีกองค์หนึ่ง คุมชันฟ้าอีกองคหนึ่งเห็นไหมแต่อักีดะของของอิสลามของมุสลิมอัลลอฮ์องเดียวคุมทุกอย่างบนโลกดุญญาแบบนี้ฉะนั้นไม่ต้องไปใช้ผ้าเขียวผ้าแดงจึงจบทักกันไม่ต้องไปเชื่อเลยโตเรยองโตตะเกียรไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานาหูอตาแลเห็นยังกรับในอิมานมาไหมมาครับพออ่านกุ้งอานแล้วอิมานเพิ่มเลยเนี่ยชิริกสลัดสบายเลยฉันไม่เอาชิริกแล้ว ฉะนั้นคนที่อยู่ในเรือทั้งหมดพื่งใครเพรึ่งอัลลอฮฺวัลฟุลกาตาเจรีฟิลบาฮ์ริบิอัมริและเรือไม่ใช่ลำเดียวนะเรือทุกลำที่วิ่งอยู่ในมหาสมุทรทั้งหมดนั้นแล่นอยู่ในหน้านน้ำเนี่ยโดยพระพันชาของอัลลอฮฺซุบฮิฮฺนะฮุวตาตัาลลออัลลอฮฺรู้หมดเอาเบียเกยวัยในในในในในใ น, ใ น, ใ น, ในๆๆเรือแต่ตรงไหน เอาผู้หญิงโสเพณีไปไว้ตรงไหนไประชามซีนากัตานตรงไหนรู้หมดใครนามาอยู่ในเรือตรงไหนคุณนึกถึงอยู่คนคืออับดุลจาลีลมาหาผ ม, มาอายุสักสักาสิบปีถึสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเป็นต้นหนเรือเขาบอกว่าเขาเป็นมุสลิมคนเดียวในเรือเนี่ยพอได้เวลานามาศเข้าไปยืนที่หัวเรือนะรออัลลอฮ์อัลลอฮอัลบั ล, ล์อัเห็นปลานกระโดดน่ ปามันก็โดดขึ้นมาที่นี่ที่ข้างๆเรือเนี่ยพอไม่อาจารย์มันไม่กระโดดพออาจารที่ไรมันกระโดดทุกทีมันจะกระโดดมาฟังเสียงอาจารย์เราหรือปล่ากข้านั่งคุยกับผมอลาวอากาศแค่ยังครับแค่นั้นในเรือนี่นะอารออเป็นเจ้าของเรือทั้งหมดอารออเป็นเจ้าของเรือแค่นั้นเจ้าพ่อแม่น้ำคงคาไม่มีเจ้าแม่มหาสมุทรไม่มี ใครเป็นเจ้าของอัลลอฮ์เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวจากนั้นลงเรือ ว, ว่าไงครับสุภาณารีสคาร์ลานาฮะวะมากุนนาลาหูมกรินีนวะอินนาอีละไม่ใช่บิสมิลลาฮิมัจจาเราะวะมุษะลงเรือก็มีดุอาออีก ต, ต้นหนึ่งขึ้นเครงบินมีดวง อ, อีก ต, ต้นหนึ่งไม่จะขอจากอะไรนะเะจ้าแม่มหาสมุทรแล้วก็เจ้าแม่คงคาไม่มีอัลลอฮ์เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวนะครับ อัลลอ์สบาใจไหมนี่ไงอ่านอ่านกูอ่านได้ความรู้เพิ่มครับเรื่องที่สามวายุมซิกุสมา أ, อัลลอฮ์ <Allah S 2> ได้มาซากะยมซิกุยุมซิกแปลว่ายึดรู้จักจับอะไรครับอั ส, สมาจับชันฟ้าเอาไว้อันตะกออาลลอัลกุดดีมิให้มันตกลงมาสู่พื้นดินอ่ะแสดงว่าวันตกมีไหมมี วันหนึ่งท่องฟ้าเนี่ยอลัลลอฮ์ปล่อยร่วงเลยเมื่อไรครับวันกิยรติตอนนี้ยึดไว้ก่อนให้มนุษย์รู้นี่อลัลลอฮ์ยึดท่องช่องฟ้าเอาไว้เนี่ยเห็นยังรครับขอบคุณอลัลลอฮ์นี่อิมานเพิ่มไหมอลัลลอฮ์เพิ่มครับอลัลลอฮ์บอกว่าฉันเนี่ย ย, ยึดชันฟ้าเอาไว้นะอันตะกออาลอาลอาลดีไม่ให้ตกลงมาลงมาบนพื้นดินอิลลับิอิสเน เว้นแต่โดยอนุมัติของพระองค์มีวันตกงไหมมีครับวันไหนครับวันติยมักครับพี่น้องวันกิยมัเกิดวันไหนครับวันศุกร์เราพร้อมแล้วสวโบเราตื่นนอนแล้วเละอ่านกุรอานอาบน้ําแต่งตัวจะมาสุเราแล้วถ้าเป็นวันกิยมัเราปลอดภัยครับอันนี้เป็นตัวเช่นยังครับชีวิตของมุสลิมนันผูกพันกับวันกิยมักตลอดเวลาครับพี่น้อง วยุมสิกุสะมะอันตะเกาะอัลลอฮรดีอิลลับีอิสเนอัลลอฮยึดท้องฟ้าเอาไว้ไม่ให้ตกลงมาบนแผ่นดินอิลลับีอิสเนเว้นแต่โดยอนุมัติของพระองค์แสดงว่าวันตกมีไหมมีครับตอนนี้ย so, ังไม่ตกเพราะอัลลอฮยึดเอาไว้ต้องขอบคุณอัลลอฮฺงั้นดูท้องฟ้าสิอัลฮะมดุลิลลัยุมสิกุสะมะอันตะเกาะอลลอรดอิลลบอิ ถัดจำอานนะงั้นผู้ท่องฟ้าก็นึกถึงอัลลอฮ์ขอบคุณอ <c oughs> ัลลอฮ์ดาวตกเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วไงอู้หูยกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยจะชนโลกบ้างเนี่ยชนเราก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์เอออัลลอ์เล่า ว, ว่าดาวตกเนี่ยใครให้ตกอัลลอฮ์ดาวตกไล่อะไรไล่ชัยตอนรู้จูมันลิชชัยติน ดาวตกเนี่ยแต่ละอันแต่ละอันนั้นเป็นผีพุ่งใต้อย่างเงี้ยเป็นไฟออกมาเนี่ยไล่อะไรไล่ชัยต่อที่มันขึ้นไปแอบฟังเรื่องของอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์สั่งกับมาละอิกาชายตอนั่นมันอร่อยจริงๆอัลลอฮ์ล่าให้ฟังนะเพื่นน อ, อนคนอานแต่คนไม่อ่านคน อ, อ่านก็ไม่รู้ว่าอัลลอห์ให้ดาวตกทําไมให้นุ่นมาทําไมให้สีนุ่นมาทําไมแต่กลายเป็นโฆษณาขายโนเซฟมือใดแล้วให้มนุษย์เอาต่อมาครับสิทธิแของอัลลอ อินนั่ลลอฮฺบินน้าสีลาราอูฟุลราะหิมอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอและแท้จริงอัลลอฮนี่สีฟัดอัลลอฮฺนะอีกสอแล้วนะราอูฟุนผู้ทรงอ่อนโยนอัลลอฮฺอุลามะอธิบายอย่างนี้อ่อนโยนเมตตาเมตตาด้วยอ่อนโยนด้วยกับใครนะกับสัตว์กับของแข็งหิน กับต้นไม้ผลไม้กับแผ่นดินกับมนุษย์อลัลลอเมตตาโดยเฉพาะยิ่งมนุษย์มนุษย์ที่ไม่เอลัลลอมีไหมในโลกนี้นะ่ะเยอะกว่าใช่ไหม8ป0พันล้านเนี่ยจพันล้านเนี่ยที่เอาอัลลอประมาณสองพกว่าล้านอีกสี่พันล้านนั่นไม่เอาอัลลอฮฺปฏิเสธต่ออัลลแต่ อ, อ, อัลลอฮฺยกเรออูฟุนสงเมตตาสงสาร ให้ออกซิเจนให้แผ่นดินให้ลูกให้เมียให้เงินให้ตำแหนง่งเต็ไมไปหมดนะต่อมาครับรอใหมูลผู้ทรงเมตตาเสมออัอรลอฮฺมานุรหมนึกตรงนี้รอให้มอีอัลลอฮ์เมตตาเฉพาะคนที่มีาศาสนาคนที่มีคุณอ่านอีมานต่ออัลลอฮ์อีมาน ต, ต่อรลนีมานต่กฎกฏบกฏดั้ของอัลลอฮ์และอีมานต่อวันอาคิราะ ส่วนบนดุญยานี้อัลลอมานเมตากับคนทุกคนที่ไม่อีมานต่ออัลลอส่วนวันเตียมะอัลลอเมตาเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเองอธิบายให้เราเข้าใจมาอินนัลลอฮฺบินนาซิลรอูฟุรฮิมแท้จริงอัลลอฮผู้ทรงอ่อนโยนเมตานะครับรอฮีมุนผู้ทรงเมตตาเสมอต่อปวงบาวของพระองค์อัลฮัมดุลิลละพี่น้อง อัลลอฮ์ให้กลางวันมาไม่ใช่พวกกราบนะให้กลางคืนมาเพื่อความสุขสบายแก่เรากลางคืนเพื่อนอนพักผ่อนกลางวันเพื่อทำมาหากินสวัสาลิสกีของอัลลอฮ์ให้มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนแล้วก็ส่งลมมาอีกแล้วก็ส่งนี่เรือมาอีกให้มนุษย์สร้างเรือเรือคนแรกใครเป็นคนสร้างนาบีนุฮัยละฮิสซลามใช่ไหมสอนหมดอัปปากาเนี่ย อัลลอฮ์ส่งส่งส่งปากามาผ่านใครนบีอิจริสอืส่งปากามาน้หนมึกมาเอ้าเขียนอันลลอฮ์สอนทุกอย่างเลยนั่นขอบคุณอัลลอฮ์สุนห์ตาเลยเอาต่อมาครับในอายะอื่นอธิบายอย่างนี้น่ะตัฟซีดอธิบายกุรรนอ่านอธิบายกุนอ่านด้วยกันใครที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาระซูลไม่เอากุรอานไม่เอานาบีนอัลลอฮ์ยังอภัยโทษให้เขาเลย ให้เกียรติเขาเบนโลกดุญยาใบนี้ขนาดไม่เอานะ่อัลลอย์ยังเมตตาเลยเห็นไฟาโรห์นะแคนกาบีมูซาอัลลอฮ์ให้ตำแหน่งเป็นคิงอ่ะแล้วก็มีลูกน้องดูแลนะ่สามหมื่นห้าพันคนดูแลกษัตริย์ฟาโรห์คนเดียวครอบครัวคนเดียว อ, อัลลอฮ์แล้วเป็นไงครับจมน้ำตาอัลลอฮ์เก็บศพเอาไว้ไม่ให้เน่าวันนี้ไปดูที่ที่ประเทศอียิปต์ เนี yeah, yeah, two, yeah. okay. ่ยอย่าเอาตัวอย่างฟาโร่นะครับเอาต่อมาอายที่6กสิบกวะฮุวัลลาีอาฮียะคุมซุมมายุมีทุคุมซุมมายุฮีย์คุมอินนัลอินซานะละกัฟูลอัลฮัมดุลิลลาต์ตักฮามูอิลลัย ว ه ล الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم الإ إن الإنسان لا كفور ا ل ل อ أكبر อายะห์นี้อธิบายนะเพียงสามสามรายการแต่อายะห์เกินอธิบายอย่างนี้มนุษย์นี่นะเกิดสองครั้งเกิดมานะ่ะสองครั้งแล้วก็ตายสองครั้ง ถ้าเราใช้ปัญญาเองนึกไม่นึกไม่ออกอ่าดูคุณอานวะฮุบัน ล, ละดีอัลลอฮ์คือพระองค์อัลลาดีผู้ทรงอภักลุมให้สู่เจ้า <c oughs> เกิดมา <c oughs> ให้คุณมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเกิดมาเองห ร, รือเราว่ามะเรา่อเราทำให้เราเกิดมา เอเลาะเล่ากับเกิดวัชนามาซูจิจากมาซูจิเป็นก้อนเลือดจากก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเมื่อครบร้อยยี่สิวันฉันเป่าวิญญาณให้มารรคการมาเป่าและกำหนด4รายการหนึ่งริซกีสองอาญาวันตาสาอาชีพ4จะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเป็นชาวนรกเป็นชาวสวัสดิ์อเลาะกำหนดแต่รู้ไหมไม่รู้เราต้องพัฒนาตัวเราให้ดีนะครับนั้นไม่จะเกิดมาเอง อาศัยพ่อแม่เป็นเวทีเท่านั้นเองเอา ล, ล้อเป็นผู้ทำให้สู่เจ้าเกิดมาและต่อมาอยู่กี่วันครับอยู่แค่สองชั่วโมงถ้าคิดเวลาวันหน 1, ึ่งหนึ่งพันปีซุมมายุยีกุมแล้วก็ทรงให้สู่เจ้าตายอา้าวมีใครบ้างที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่ตายมีไหมมีไหมไม่ไมไมไมไม มีอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์องเดียวเป็นคนละตายหมดอัลลอฮ์องเดียวที่ให้ยุนก่อยยูมุนอยู่ไปตลอดไม่ง่วงไม่หลับไม่นอนด้วยข้อที่ 3, สมซุมมาอยู่หีกลุ่มแล้วก็ให้สูเจ้าฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในโลกอาคริร์นี่เล่าแค่สามรายการให้เป็นให้ตายให้ฟื้นอะกีดานี่เป็นอะกีดาที่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อนะ เอ๊ตายแล้วมันฟื้นขึ้นมาได้ยังไงมันจะฟื้นได้ยังไงมีคนกาเฟ่ถามมาว่าเอ๊เมื่อเป็นผงไปแล้วเป็นกระดูกไปแล้วเป็นดินไปแล้วมันจะเป็นได้ยังไงอารอก็ บ, บกเองเคยดูหรือเปล่าแผ่นดินที่แห้งแล้งเวลาฉันให้ฝนตกลงมาแล้วย้ามันมาจากไหนแล้วเขียวชะอมมาจากไหนทาไมไม่ใช้ปัญญาดูว่าแผ่นดินที่ตายแล้วเนี่ย ในสมัยนบีอีสามคนตายแล้วให้ฟื้นได้ปะนั่นน่ะทำไมไม่เรียนประวัติศาสตร์ล่ะพวกคริสเตียนทําไมไม่สอนล่ะพวกบนันีึกอิสลามไม่สอนล่ะคนตายแล้วยังให้ฟื้นขึ้นมาเลยนั่นน่ะใครอ่ะความสามารถของกายของอัลลอฮ์สุบฮนานาบูฮฺอะไรในอายะอื่นอนะธิบายอย่างนี้กายประทักฟูรุนบิลละคุณเนี่ยจะทรยศต่ออัลลอฮ์ได้ยังไง ในเมื่อว่กุนตุวากุ้นตุมอัมวาตาพวกท่านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยท่านตายซุมมะฝ่าอากุมแล้วก็ให้คุณเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ซุมมาอยู่มีทุกุ้มแล้วให้คุณตายไปอีกทีหนึ่งซุมมายุหยีกุ้มแล้วให้คุณฟื้นมาอีกวันหนึ่งในวันเกียรมะคุณจะทรยศต่อเลาได้อย่างไรส่วลวงว่ามนุษย์เนี่ยนะตายสองครั้งแล้วก็ เกิดสองครั้งตอนเราอยู่ในโลกแห่งวิญญาณเ็าเรียกว่าอาลัมอารวะนั่นคือตายครับรูเ้เป่าถ้าอัลลอ์ไม่เล่าทางเพียควรเราก็ไม่รู้อลัลลอ์เล่าบอว่าตอนที่อลัลลอ์สร้างอาดัมมาอาลัลลอ์ให้มลาัายการรูปหลังดนบีอาดัมรูปอย่างนี้ปืป๊ดออกมาวิญญาณตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายออกมาหมดเลยพอออกมาเสร็จแล้วก็ วิญญาณวิญญาณวิญญาณวิญญาณเต็มไปหมดเลยอัลลอฮ์เรียกวิญญาณประชุมอัลลอฮ์เล่านะัรกุรอานนะอัลลอ์ถามบอกว่าอัลลสตบิรบบิกุมถามวิญญาณทุกดวงเนี่ยฉันนี่ไม่ใช่เป็นพระผู้อาภิบาลของท่านหรืออัลลสตบิรับบิกรุมวิญญาณทุกดวงตอบว่าบาราอัลลอ์เป็นรอบของพวกเราจริงๆ นั่นเป็นสัญญาณฉบับแรกสนีิสัญญาฉบับแรกที่มนุษย์ทำกับอัลลอ์สุบฮานหูวะตาาลายอมรับว่าอัลลอ์มีจริงในข้ออธิบายต่อบอีกถ้าถ้าอัลลอฮ์ไม่ทำสัญญาไว้นะเดี๋ยววันฟื้นขึ้นมามันเถียง Allah อยัลลอฮ์ใหญ่เลยเลาทำสัญญาดักไว้แล้วแต่นี้พอวิญญาณมาอยู่ในร่างเราวันนี้นี่ขั้งั้งั้งแรกนะ ตายครั้งแรกตอนอยู่ในอาโลกแห่งอาลัมวิญญาณใบที่สองใบนี้บนดุญยาใบนี้มาอยู่ในร่างของมนุษย์พออยู่ในร่างปั๊บเนี่ยวิญญาณมาเห็นอลัลลอ์แล้วเห็นบ้านเห็นเมียเห็นรถเห็นที่ดินเห็นประกาศนิยบัติเห็นออฟฟิศเห็นผู้หญิงเอามาแทนหมดเลยเวลาง่วงนอนไปนอนในวัดองเพึ่อนอัลลอฮ์นี่ย ก็นอนมาแทนอยู่แล้วนะ่อาจจะนั่งจะไปหาดใหญ่นี่คือบินแอร์เอเชียราคาถูกโลภัยมามากอีกแล้วไม่ต้องพึ่งอลัลลอฮ์ฉันฉันก็อยู่ได้เวลาหิวฉันเดินไปในครัวฉันจ่ายเดือนละร้อยบาทหรือพันบาทหรือฟรีไม่อาหารเลี้ยงอยู่แล้วก็ต้องพึ่ง อ, อัลลอฮ์ทำไมาถูกหลอกอลัมอรวานรับรองว่าอาลัลลอ์มีพ่อวิญญาณ เ, เห็นเห็นอัลลอ์ พอเข้ามาอยู่ในร่างปับวิญญาณไม่เห็นอัลลอ์เห็นแต่อสบับสบับสับสับสับสับเต็มไปหมดเลยเลยไม่เอาอัลลอ์ขาดทุนเบื้องหลังคืออัลล์ทั้งหมดอางจะนั่งเคร่งบินสุพารละศ์สักคาร์ลานาฮารามีอัลลหรือเปล่ามีครับเพราะอัลลอฮ์เตือนจะนึกถึงอัลลอฮ์จะลงเรือบิสมิลลาฮิมามジャฮาวมุสฮานึกถึงอัลลอ์ จะร่วมหลับนอนกับพระยานึกถึง Allah. อัลลอฮ์อัลลอฮฺหุบจันนิบนชชาสัยตอนหุบจันนิบนิสัยตอนมาอัลลอ์อะไรบ้างที่มมีอัลลอ์อยู่เบื้องหลังมุสลิมอิสลามนาบีประมาศสอนสให้เรานึกถึงอัลลอ์ตลอดเวลาจะเข้ามาสัสยิดจะออกจากมัสยิดนึกถึงใครนึกถึง AH. อัลลอเพราะฉะนั้นอัลลอ์เนี่ยให้มนุษย์เนี่ยเกิดกี่ครั้งนะสองครั้งแล้วก็ตายสองครั้งครั้งแรกตอนอยู่ในโลกแห่งวิญ ญ, ญาณ ครั้งนี้เกิดมาครั้งแรกอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เดี๋ยวตายครั้งที่สองอยู่ๆไปอยู่ไปใครให้ตายอัลลอฮ์ให้ตายคนกาลเฟสคิดอย่างนี้พอตายพอตายเนี่ยเพราะวันเวลาทําให้มันแก่ตายเองนี่อคิดาติผิษนะวันเวลาไม่ได้ทาลายใครครับฉะนั้นอัลลอฮ์ให้มนุษย์เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ใช่วันเวลาทําให้คนตาย อัลลอฮ์ทำให้เขาตายพอตายแล้วอัลลอฮ์ให้เขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในโลกอลาคีรอแต่ว่าตายกี่ครั้งตายสองครั้งแล้วก็เกิดสองครั้งอ่าคี้องขอเล่าน็ตหนึ่งวันกิยามัดวล้อัลลอฮ์ให้มะเลย์กับเ ป, าเป่าที่เป่าพอเป่าครั้งที่ปังคั้งที่สองเนะี่ฟื้นหมดเลยนะเล่าแค่สองคนพอนะคนที่ตายเสีิดกับคนที่ตายชุดคลองชุดยะรอมา ตายขณะที่ครองชุดแย่รอมรวมมาถึงเครนที่ถูกทับด้วยนะตอนครองชุดแย่รอมล้วตายแล้วก็ฝังแต่ละคนที่ตายเฉียดในสงครามเราฝังนะวันที่มาพอฟื้นขึ้นมาจับหลุมฝังศพคนที่ตายเฉียดเลือดอยังไหลเหมือนเดิมเห็นยังครับเนี่ยนบีเล่าให้เราฟังแล้วก็กินแทนที่จะเหม็นกลับ หอมยิ่งกว่ากินของชมุดเชียงใครสอนครับนบีเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องจริงครับแล้วก็คนที่คลองชุดอียรอมทำเอียรอมอยู่แล้วก็ตายฝังในชุดนั้นแหละเวลาฟื้นขึ้นมาละไบกะลอฮุมละไบละไบกะลาชาริกกะลากะละไบก์อินนัลฮัมดะวันนี้อัลมาตาละกาวล์มุลละชาริกกะลาเห็นปะสังงานปนังไงครับ วันอาคอริลอมีจริงครับมีจริงครับแคนั้นมนุษย์ตายสองครั้งแล้วก็เกิดสองครั้งเรานี่เกิดครั้งที่เกิดครั้งแรกตายมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้เกิดครั้งแรกเดี๋ยวตายครั้งที่สองแล้วก็ฟื้นอีกใหม่ครั้งที่สองในวันเตียามานี่เป็นอตัตลักษณ์ของชาวของของมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุลฮานูร์ข้าพเาล้ว อัลลอฮฺอัลอัติ alhamdulillah ไน้องครับในกุนอ่านอัิบา ย, ย่างนี้นะรบกอลูรอบบานะอามัตนาสนาใจนิวะอะไย์นาสนาตจค่าแทนพระผู้อภิบาลของเราเอ่ยพระองค์ได้ทรงทำให้เราตายสองครั้งและทรงให้เรามีชีวิตอยู่สองครั้งฉะนั้นเราจะทรยศต่ออัลลอฮได้อย่างไร อย่าทรอยตเลยเชื่อฟังอรรถนอบน้อมตนต่ออรรถเลยอากีดาของชาวฮินดูเนี่ยเชื่ออย่างนี้ผู้สร้างโลกนะพระองค์หนึ่งผู้รักษาโลกอีกพระองค์หนึ่งผู้ทำลายโลกอีกองค์หนึ่งสามก็ไปแล้วสรุปแล้วนะมีเป็นหมื่นพระเจ้าในภาษาในศาสนาฮินดูมีเป็นหมื่นแลวองไหนศักดิ์สิทธิ์ล่ะก็ทะเลาะ ก, กันเองกันแล้วฉะนั้น อะกิดาของของมุสลิมที่นบีสอนก็คืออัลลอฮ์มีองค์เดียวรับผิดชอบทุกรายการชันฟ้าทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์แผ่นดินทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์มนุษย์ทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์สรรพสิ่งทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับผิดชอบดูแลแต่เป็นคนเดียวถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเราพระยาคนเดียวยังเหนื่อยแเราคนจะมีสองคนละ่ะเครียดยาอัลลอฮ์ขอให้ตายไปบ้างเถอะได้ไหมอลานได้เป็นท้อง สรุปนะกี่อายะห์วันนี้ห้าอายะห์เรื่องดีหมดเลยนะอายะห์สุดท้ายนี่เตือนเราให้เรารู้ว่าเราตายกี่ครั้งนะสองครั้งแล้วก็เกิดสองครั้งสุบฮานักหุมัลบิัมดกสวลอิละอิลลอันตะอัสตฟิรุกะบะตบอิไลกุสลามุอะลัยคุมวราะห์มัตุลลอฮวะบระกตุ